สวนเซนวัดกุทธในญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในเรื่องสวนหลายปีก่อนมีวัดวัดหนึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่า มีสวนสวยยิ่งกว่าวัดใดๆผู้คนจากทั่วประเทศพากันเดินทางมาที่วัดนี้เพื่อชื่นชมการจัดสวนที่งดงามประณีมีคุณค่ายิ่งในความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติพระอาจารย์อาวุโส ร, รูปหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมสวนนี้ท่านเดินทางมาถึงแต่เช้าตรู่หลังพระอาทิตย์ขึ้น ท่านต้องการจะค้นหาว่าเพราะเหตุใดส่วนนี้จึงได้ชื่อว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากแก่ผู้มาเข้าชมท่านจึงซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่บริเวณที่มองเห็นสวนได้เป็นอย่างดีท่านเห็นพระทำสวนหนุ่มรูปหนึ่งเดินที่อุตรก้าหวายสองใบ ออกมาจากวัดเป็นเวลากว่าสามชั่วโมงที่ท่านเฝ้าดูพระหนุ่มค่อยๆบรรจงเก็บใบไม้และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นพลัมที่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่กลางสวนขณะที่เก็บใบไม้แต่ละใบและกิ่งไม้แต่ละก้านท่านจะพลิกมันกลับไปกลับมาอย่างเบามือเพ่งผิดและไตรตรอง ถ้าท่านชอบท่านก็วางมันลงในตะกร้าใบหนึ่งอย่างถนุถนอมแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์แล้วท่านก็ทิ้งมันลงในตะกร้าอีกใบซึ่งเป็นตะกร้าสำหรับขยะหลังจากที่ท่านได้นําขยะไปเ ท, ทที่กองขยะหลังวัดแล้วท่านหยุดพักเพื่อดื่มชา และเตรียมใจให้พร้อมสำหรับขั้นตอนสำคัญลำดับต่อไปพระนุมใช้เวลาอีกสามชั่วโมงบรรจงวางใบไม้แต่ละใบและกิ่งไม้แต่ละก้านลงในที่ที่เหมาะสมในสวนอย่างมีสติ ด้วยความเอาใจใส่ประณีและเชี่ยวชาถ้าท่านยังไม่พอใจกับการวางนั้นท่านก็กยับมันไปมาด้านนั้นนิดด้านนี้หน่อยจนกว่าจะปรากฏรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจนั่นแหละท่านจึงจะเลือกใบไม้ใบใหม่ที่มีรูปร่างและสีสันตรงใจท่านวางลงในที่ที่เหมาะสมในสวนต่อไป ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของท่านนั้นยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนความเชี่ยวชาญในการจัดสีและรูปลักษณ์ของท่านนั้นเยี่ย<ด>ม<บ>ยอดความเข้าถึงความงามของธรรมชาติของท่านสูงส่งนักเมื<ด><บ>่องานของท่านเสร็จสิ้นลงส่วนนั้นก็งามเลิศ แล้วพระอวุโสก็เด็กก้าวเข้าไปในสวนด้วยรอยยิ้มจนเห็นฟันหกัหกๆของท่านท่านแสดงความยินดีกับพระหนุ่มว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆน่าประทับใจมากผมเฝ้าสังเกตคุณมาตลอดเช้าความขยันของคุณคู่ควรแก่การยกย่องสูงสุขและส่วนของคุณก็เออ สวนของคุณก็เกือบจะสมบูรณ์แบบหน้าของพระหนุ่มซีดขาวลงทันทีร่างกายของท่านเกร็งขึ้นมาราวกับโดนแมงป่องต่อยรอยยิ้มแห่งความทนงตนวูบหายไปในประเทศญี่ปุ่นผู้ใดจับประมาทพระชารา ผู้มีใบหน้าเกลื่อนไปด้วยอรอยยิ้มแห่งความเมตตาไม่ได้เป็นอันขาดด้วยความวิตกกังวลพระหนุ่มตะกุกตะกักถามว่าท่านมาหมายความว่าอย่างไรครับที่ว่าเกือบเกือบจะสมบูรณ์แบบนะท่านมาหมายความว่าอย่างไรแล้วท่านก็หมอปราบลงแทบเท้าพระอาโซ ท่านผูร้รู้ท่านอาจารย์ขอรับโปรดเมตตากระผมเถิดพระพุทธองค์คงส่งท่านมาแน่ๆเพื่อจะชี้แนะกระผมให้ตกแต่งสวนนี้ให้งดงามสมบูรณ์แบบที่สุดโปรดสั่งสอนผมด้วยท่านผู้มีเมตตาโปรดแสดงให้ผมดูด้วยเถิดพระอวสูถามว่าท่านต้องการให้ผมแสดงให้ดูจริงๆหรือ ริ้วรอยบนใบหน้าชาราของท่านบอกว่าท่านพร้อมจะให้บทเรียนที่ไม่ธรรมดานคะัขอรับขอรับท่านผู้รู้โปรดแสดงเถิดขอรับดังนั้นพระอาวสจึงก้าวจับจับเข้าไปตรงกลางสวนลำแขนเหี่ยวเหี่ยวแต่อย่างแข็งแรงของท่าน โอรอบต้นพลัมใบดอกนั้นแล้วด้วยเสียงหัวเราะเยี่ยงนักบุญท่านขย่าวต้นไม้ที่น่าสงสารนั้นราวกับจะเหวี่ยงปีศาจออกมาจากมันใบไม้กิ่งไม้และเปลือกไม้ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดท่านขย่าวแล้วขย่าวอีกจนเมื่อไม่มีใบไม้จะร่วงอีกแล้วนั่นแหละท่านจึงได้หยุด พระหนุ่มตกใจสวนสวยถูกทำลายงานที่ได้ทำตลอดช่วงเช้านี้ศูนย์เปล่าท่านโกรธจนอยากจะกาจัดพระอาวสูแต่พระอวสูกลับมองไปรอบๆตัวด้วยอาการชื่นชมในผลงานของท่านเองอย่างบริสุทธิ์ใจและแล้วด้วยรอยยิ้มที่สามารถละลายความโกรธของพระนุ่มลงได้ ท่านกล่าวอย่างนุ่มนวลกับพระหนุ่มว่าบัดนี้ส่วนของท่านงดงามสมบูรณ์แบบแล้ว